บทภาชนีปาจิตตีห้าร้อยยีิกษุพิสทำเตียงหรือต่างหุมนุ่นที่ตนค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำเตียงหรือต่างหุมนุ่นที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัติปาจิตตีภิกษุน์ทำเตียงหรือต่างหุมนุ่นที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำเตียงหรือต่างหุ้มนุ่น ที่ผู้อื่นทำครั้งไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอบัติทุกกฏภิกษุได้เตียงตังที่ผู้อื่นทำสำเร็จแล้วมาใช้สอยต้องอบัติทุกกฎ